วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พวกเราลูกๆจะได้มาน้อมลำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของคุณพ่อและของคุณแม่ด้วยกัน ทั้งสองคนเพราะคุณพ่อและคุณแม่นี้ถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันเพราะการที่จะมีลูกได้จําเป็นที่ยังมีจําเป็นที่จะต้องมีทั้งพ่อและทั้งแม่ถึงจะสามารถมีลูกได้ถ้ามีพ่อคนเดียวก็มีลูกไม่ได้หรือมีแม่คนเดียวก็มีลูกไม่ได้ การที่จะมีลูกได้การที่พวกเราจะมาเกิดกันได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่พระคุณของพ่อแม่กับลูกนี้เป็นพระคุณที่สุดยอดสูงสุดของพระคุณทั้งหลายทั้งปวงต่อให้เอาเงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพื่อมาแลกกับร่างกายของพวกเรา พวกเราก็ไม่ยินดีที่จะแลกกับเงินทองเหล่านั้นเพราะคุณค่าของร่างกายนี้มันมีคุณค่ามากกว่าเงินทองไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งที่พ่อแม่ให้กับลูกๆจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ลูกๆจึงควรที่จะมีความสำนึกในบุญคุณ ของคุณพ่อและของคุณแม่คือมีความกะตันยูกตาเวทีความกระตันยูแปลว่าความรู้คุณกาตากตาเวทีแปลว่าการทดแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพกะคุณอันนี้คือความสำคัญเราอ่างพ่อพ่อแม่กับลูกๆ พ่อแม่ให้ร่างกายเรามาแล้วก็เลี้ยงดูเรามาให้เราเจริญเติบโตส่งเสียให้เราได้ร่ำเรียนหนังสือมีความรู้มีวิชาเลี้ยงชีพจนเราสามารถที่จะเลี้ยงดูชีวิตของพวกเราได้บุญคนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องควรที่จะลำลึกและพร้อมที่จะทดแทน คุณคุณให้กับคุณพ่อและคุณแม่เสมอถ้าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงยังสามารถอยู่ดูแลตัวของท่านเองได้เราก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากยังไม่ต้องดูแลท่านไม่ต้องเลี้ยงดูท่านแต่พอถึงเวลาที่ท่านมีความชรา ไม่สามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูตัวของท่านเองได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องมาทดแทนบุญคุณดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่เป็นปกติสุขไปจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปอันนี้คือหน้าที่ของลูกๆทุกคนควรจะคำนึงถึงเสมอเพราะว่า ถือว่าได้เป็นการทำบุญไปในตัวด้วยพ่อแม่นี้เปรียบเหมือนกับพระาอารหันต์ของลูกๆทำบุญกับพ่อกับแม่นี้ถือว่าได้ทำบุญกับพระาอารหันต์เลยได้บุญที่สูงสุดที่คึรจะได้รับจากการทำบุญในขณะที่ท่านแข็งแรงเราก็คอย เยี่ยมเยี่ยงหท่านอยู่ด้วยกันก็คอยรับใช้ถ้าท่านมีอะไรให้เราทำเราก็ควรที่จะทำถ้าท่านว่ากล่าวตักเตือนอะไรเราก็ควรจะรับฟังไม่ควรจะเถียงพ่อเถียงแม่ถ้าสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านบอกมันไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดผิดผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่ไม่ต้องทาตามก็ได้ แต่เวลาที่พ่อแม่พูดนี้เราควรที่จะฟังเฉยๆให้ความเคารพด้วยการฟังเฉยๆไม่ควรที่จะไปโต้อตอบอะไรทั้งทั้งทั้งในสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้และสิ่งในสิ่งที่มันไม่ถูกก็ได้แต่ให้เราแสดงความกตัญญูความเคารพด้วยความเคารพในการพูดของท่าน เพราะเจตนารมณ์ของท่านก็มีอยู่ที่จะต้องการให้เราอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองแต่บางทีความรู้ของท่านอาจจะมีไม่รู้มากพออาจจะไม่รู้เรื่องศีลและธรรมก็ จ, จะแนะนำให้เราไปทําผิดศีลผิดธรรมก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง เชื่อฟังนะเราฟังแต่เราไม่ต้องเชื่อหรือไม่ต้องนำมาไปปฏิบัติถ้าขัดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเช่นถ้าสอนให้ไปทำบาปเราก็ไม่ต้องทำตามหรือสอนไม่ให้เราทำบุญอันนี้เราก็ไม่ต้องทำตามก็ ไ, ได้แต่เราไม่ต้องไปถกเถียงโต้อตอบขอให้ท่านพูดไปตามความเข้าใจของท่านก็แล้วกัน นี่คือวิธีการแสดงความกระตันยูอย่างหนึ่งคือให้ความเคารพเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่ไม่ถกเถียงแล้วก็ไม่สั่งสอนพ่อแม่ด้วยนอกจากว่าพ่อแม่อยากจะรู้อะไรถามก็สามารถตอบได้ยกเว้นว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอหันนี่ก็ สามารถสอนพ่อสอนแม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จสอนคตไปอยู่ในสวรรค์พอพระพเจ้าได้ตัดสรต้เป็นพระอรหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแรงยานค้นหาพุทธมารดาว่าอยู่ที่ไหนพอได้ค้นพบได้ติดต่อได้ ก็ได้โปรดแสดงธรรมสั่งสอนธรรมให้แก่พุทธมารดาอยู่ถึงสามเดือนด้วยกันจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หลุดพ้นจากการยืนว่ายตายเกิดในอบายพระโสดาบันนี้จะไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเคยอาจจะเคยทำบาปมามากมายเพียงไรก็ตาม พอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถปิดประตูบายได้น่าจะทำให้พบชาติของการเวืนว่ายตายเกิดในทบของมนุษย์นี้เหลืออยู่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากมนี่แหละคือวิธีการทดแทนบุญคุณที่ที่ดีที่สุดถ้าทำได้ทดแทนบุญคุณได้หมดสิน้น ด้วยการทำให้พ่อให้แม่นี้ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาให้ได้พ้นจากอบายไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปและจะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ไม่เกินเจ็ดภพเป็นอย่างมากก็จะไปถึงพานิพานได้ต่อไป mm hmm. จึงมีธรรมเนียมของชาวพุทธเราสำหรับผู้ลูกชายที่มีอายุครบยี่สิบก็จะออกบวชกัน เพื่อไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อลูกชายได้มาบวชก็ mm hmm. เ, เป็นปกติของพ่อของแม่ที่จะห่วงใยที่จะคิดถึงก็ mm hmm. จะมาเยี่ยมที่วัด mm hmm. ปกติอาจจะไม่เข้าวัดบ่อยหรือไม่เข้าวัดเลยก็ได้เพราะอาจจะมีธุระภารกิจอะไรต่างๆมากมาย จึงไม่ได้เห็นความสําคัญของการไปวัดไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลไปฟังเทศฟังธรรมแต่พอลูกชายได้บวชก็เลยคิดถึงลูกก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนก็เลยได้เข้าวัดเข้าว่าบ่อยขึ้นมากขึ้นได้เวลาได้เข้าวัดเข้าว่าก็าจะได้มาทําบุญทําทานได้มารักษาศีลได้มาฟังเทศฟังธรรม ไ ด, ได้ปฏิบัติธรรมจนอา จ, จะถึงขั้นที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมคาสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นํามาเป็นปฏิบัติเป็นเป็นนิจศีลเป็นเป็นงานประจําขึ้นมาถ้าลองได้ทําบุญทำทานได้รักษาศีลได้ฟังเทศฟังธรรม ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โอกาสที่จะไปสู่สุคติก็จะเป็นไปได้อย่างมากตายไปถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่อย่างน้อยก็ได้ทำบุญทาทานทำความดีต่างๆได้ละ บ, บาปต่างๆทำให้บุญกุศลที่ได้สะสมไว้มีมากกว่าบาปที่ได้กระทำไว้ ก็จะส่ ง, สงให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุคติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าตราบใดบุญกุศลที่ได้ทําไว้นั้นมีมากกว่าบาปที่ได้ทํนไว<ม>้จึงเป็นคำพูดที่พูดกันว่าเกาะชายผ้าเหลือง<ม>พ่อแม่ก็จะเกาะชายผ้าเหลืองของลูก<ม>ถ้าลูกไม่มาบวช<ม>พ่อแม่ก็ไม่มีเหตุที่จะเข้ามาวัดกัน พอลูกอยู่บ้านด้วยกันก็เจอกันทุกวันแต่พอลูกมาบวชมาอยู่วัด <Yeah. S 1> ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็คิดถึงกัน <Yeah. S 1> เป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันก็เลยต้องมาเยี่ยม uh huh. บ่อยๆพอมาเยี่ยมก็ต้องมาเอาข้าวเอาของมาทาบุญทําทาน <Yeah. S 1> ถ้ามีพิธีกรรมก็มีการสมาทานศีลก็จะได้สมาทานศีล ไม่เคยรักษาศีลห้ามาก่อนก็อาจจะรักษาศีลห้าขึ้นมาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์<ม>เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพอได้ยินได้ฟังก็จะได้มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรร ม, มก็จะได้พยายามทำแต่บุญทำแต่กุศลพยายามละบาป ลดการกระทำบาปให้น้อยลงแล้วก็ จ, จะสนใจกับการสร้างความสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขแล ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็จะสามารถบรรลุ เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามลำดับไปจนถึงขั้นสูงสุดได้อันนี้จนงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธชาวที่เป็นผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปจะนิยมบวชกันเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ที่ได้เลี้ยงดูมาที่ให้กาเนิดมาเพราะเป็นการทดแทนบุญคุณที่ดีที่สุดสาหรับปุถุชน ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลโอกาสที่จะสั่งสอนนำพาให้บิดามารดาพ่อแม่นี้ไปสู่บรรลุสู่ขั้นขั้นโสดาบันก็คงจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยที่สุดก็ดึงให้ท่านไปในทางมรรคมรรคที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นไปสู่การเป็นพระอริยบุคคล ก็คือการทำบุญทาทานการรักษาศีลการภาวนาให้ทำเป็นนิสัยขึ้นมาให้ทำเป็นเป็นกิจประจำตัวขึ้นมาแล้วการบำเพ็ญกิจเหล่านี้ก็จะช่วยดึงให้จิตใจนั้นไปสู่สุขติและตามลำดับก็อาจจะจากสวรรค์ก็อาจจะสามารถบำเพ็ญให้ไปสู่ ภพภูมิที่สูงขึ้นจากกว่าสวรรค์ก็คือภพของพรมภพของพระอริยบุคคลตามลำดับได้ น, นี่จึงเป็นความเชื่อของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยแล้วว่าถ้าเป็นผู้ชายนีเมื่อมีอายุครบบวชก็ควรที่จะบวชทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ดีขนาดไหนก็ตาม ฉันเลี้ยงดูท่านอย่างดีแบกท่านไว้บนบนบ่าบนไหลให้ท่านอุจฉะปัสวะลาดตัวเราไปจนถึงวันตายบุญคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆ ก, ก็ยังไม่หมดไปถ้าอยากจะให้บุญคุณของพ่อแม่นั้นหมดไปก็ต้องสอนให้ท่านได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาให้ท่านได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดอบายกิไปเกิดในอบาย และมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปถึงพระนิพพานได้อันนี้คือหลักการของความกตัญญูกตวเวทีเราควรที่จะลำเลึกถึงพ่ะคุณของพ่อของแม่อยู่เป็นประจำวิธีที่เราจะไม่หลงไม่ลืมก็คือเราควรที่จะหลังจากที่เรากราบพระก่อนนอนหรือหลังจากที่เราตื่นมาจากนอนแล้วก็ควรกราบลำเลึกถึง พ่อถึงแม่ด้วยเพราะถ้าเราไม่กราบลำเลึกถึงพ่อของแม่เราก็อาจจะลืมได้เพราะชีวิตของเรานั้นอาจจะวุ่นวายกับการทามาหากินกับการมีครอบครัวของเราเองก็เลยอาจจะทำให้หลงลืมพ่อแม่ไปก็ได้โดยที่ไม่มีเจตนาเพื่อป้องกันความหลงลืมยังเป็นธรรมเนียมที่ ผู้ที่มีความกระตันอยู่นี้จะว่ากราบไหว้พ่อแม่ทุกวันถึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็กราบไหว้ด้วยความระลึกระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วมีเวลามีโอกาส ก, าก็ไปเยี่ยมเยียน ม, มีข้าวมีของอะไรก็นำมาไปฝากกันติดต่อกันเป็นประจำสามสารทุกสุขเด็บเป็นต้นถ้ามีการติดต่ออย่างนี้ไปมันก็จะไม่มีการหลงลืม แะลักเล็ถึงบุญคุณของท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้มีเมื่อมีโอกาสที่จะต้องทดแทนบุญคุณก็จะได้ทดแทนไป mm hmm. การทดแทนบุญคุณนี้เราสามารถทำได้ทั้งในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว mm hmm. ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เราก็เลี้ยงดูช่วยเลี้ยงดูท่านให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ mm hmm. แต่ถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราก็สามารถทำบุญอุทิศไปให้กับท่านได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญเพราะสำคัญก็คือขอให้เราทำไปก็แล้วกันเื่อท่านมารอรับบุญอยู่ท่านจะได้รับส่วนบุญส่วนนี้ที่เราทำให้กับท่านไปอันนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเขามีบุญคุณกับเราเราไม่ควรบุญคุณของเขาเวลาได้มีโอกาสที่จะสามารถทดแทนบุญคุณได้ก็ควรจะทดแทนไปเป็นคุณสมบัติของคนคนดีคนเจริญคนดีคนเจริญนี้จะไม่ลืมบุญคุณของผู้นําลึกถึงบุญคุณของผู้นิย่เสมอ เพราะการที่เราจะดีขึ้นมาได้อยู่อยู่มาได้จนบัดนี้ก็เพราะว่าการช่วยเหลือของผู้นั้นเองเมื่อเขาช่วยเหลือเราได้วันหนึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเขาได้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ก็ไม่ควรที่จะลืมเราจะทําให้ใจเรามีความสุขได้ทําบุญได้ทดแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณกับเราอันนี่ก็คือเรื่องพื้นฐานของคนดี คนีนี่ควรที่จะมีความกตัญญูกตเวทีไม่ควรที่จะลืมบุญคุณของผู้คนที่อาการตัญญูนี่ก็หมายถึงคนที่ลืมบุญคุณของผู้เขาช่วยเหลือเราก็ดูแลเราในยามทุกขยากลําบากพอเขาทุกขยากลําบากเรากลับไม่ดูแลเขาเรียกว่าเรามีอากกตัญญูคือไม่มีความกตัญญูไม่มีความ สำนึกในบุญคุณของเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบแทนบุญคุณของเขากาตาเวทีอันนี้ก็ยังไม่เวลวร้ายเท่ากับการเนรคุณการเนรคุณนี้ก็หมายถึงทำร้ายผู้ที่เขามีบุญคุณกับเราเช่นถ้าใครมีบุญคุณกับเรานี้เวลาที่เราโกรธเขานี้เราควรจะรีบระงับไม่ควรที่จะแสดงอาการที่ไม่สมควรออกมา ด้วยวาจาก็ดีด้วยการกระทําก็ดีเพราะอันนี้เป็นลักษณะของของคนไม่ดีคนที่เนรคุณนี้จะเป็นถือว่าเป็นคนไม่ดีแล้วจะเป็นคนที่สังคมจะรังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมไม่มีใครอยากจะให้ความช่วยเหลือด้วยเพราะช่วยไปก็ร้ายประโยชน์ช่วยไปแล้วกลับไปทําให้เขากลับมาทําร้ายเราอันนี้เราก็ไม่อยากจะช่วยคนที่เขา ทำร้ายเราเราช่วยถึงแม้เราจะไม่ได้หวังบุคุณตอบแทนจากเขาก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็สบายใจว่าเราได้ทำให้เขามีความสุขแล้วถ้าเขามีความกตัญญูเขาอย่างน้อยเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ทำร้ายเราเหมือนต้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เราต้องทำกันในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกัน มนุษย์เราเป็นมนุษย์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเวลาเขาเวลาเราตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือดูแลเราเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนไปช่วยดูแลเขา อ, อย่างเช่นตอนนี้ที่เรามีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมพอมีน้ำท่วมคนเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนเขามีหน่วยงานต่างๆมีอาสาสมัครต่างๆ ออกมายื่นมือให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นอำนาจของคนที่มีคนใจบุญ <Yeah. S 1> คนที่มีความเมตตา <Yeah. S 1> คนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ <Yeah. S 1> เป็นคนที่ทําให้โลกนี้อยู่กันได้อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขเ <Yeah. S 1> มตตาทําค้าจุนโลก <Yeah. S 1> โลกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนุ่มเย็นเป็นสุข <Yeah. S 1> ก็ต้องมีความเมตตาต่อกัน ให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันด้วยไม่ทาร้ายทางกายหรือทางวาจาไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันเวลาที่มีความทุกข์ยากเหนือยล้นก็มีความกรุณามีความช่วยเหลือกันเวลาที่มีความสุขความเจริญก็มีการแสดงความยินดีให้กันชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญ ของของบุคคลนั้นๆแต่ถ้ามันอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ เ, เป็นเหตุสุดวิสัยเหนือกำลังที่เราจะทำอะไรได้ก็ต้องใช้อุเบกขาทำรักษาใจไม่ให้เศร้าไม่ให้เศร้ า, ไ ม, ราไม่ให้ทุกข์ไปกับกับกรรมของผู้บางทีเป็นเรื่องของเวรกรรมของผู้ ที่เรามาประสบรับรู้แต่เราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ทำอะไรให้กับเขาได้เราก็ต้องอย่ามาเศร้าโศกเสียใจเพราะการเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาได้แต่อย่างใดแล้วก็จะทําให้ใจเราเศร้าหมองไม่มีความสุขการนั้นเราก็ต้องรู้จักการใช้อุบเบกขาอุบเบกขาก็คือการทําใจให้นิ่งเฉยปล่อยวางทําที่เราทําเท่าที่เราจะทําทได้ เมื่อสุดวิสัยทำแล้วไม่ได้ผลดังที่เราอยากจะให้เกิดเป็นผลขึ้นมาก็ต้องทําใจว่ามันเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากของของบุคคลนั้นไปเพราะว่าถ้าเราอยากจะช่วยเหลือคนมากๆแล้วเราไม่สามารถทําได้เราก็อาจจะกลับมาเป็นผู้ที่เศร้าโศกเสียใจทุกทุกเดือนร้านขึ้นมาได้ การทำให้ใจเราทุกข์ mm hmm. เดือนร้อนนี้ก็เป็นการทำร้ายตัวเราเอง mm hmm. เราก็ต้องรู้จักรักษาตัวเราเองด้วย mm hmm. ในขณะที่เราจะไปดูแลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น mm hmm. เราก็ต้องดูแลใจของเราไปพร้อมๆกันด้วย mm hmm. ทาในสิ่งที่เราทำได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ mm hmm. แต่ถ้าเหลือววิสัยไม่สามารถทำอะไรได้ mm hmm. ก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขา ตรงอ น, นี้จังทุกขังอะนั่ตาไปหรือปวงว่าเป็นกฎแห่งกรรมไปใครทำกรรมมันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะต้องเป็นทายาทเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปนี่คือลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความนุ่มเย็นเป็นสุขคือมีพรหมวิหารสีมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อกันและกันแล้วเราก็จะอยู่อย่าง ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรายัางไม่สามารถที่จะอยู่เป็นแบบคนเดียวได้เราเป็นมนุษย์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน่ออยู่ร่วมกันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันมีการทดแทนบุญคนของกันและกันแล้วชีวิตของเราก็จะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายส่วนถ้าเราอยากจะหาความสุขที่เป็นความสุขส่วนตัว เราก็หาความสุขจากการมาทำจิตให้สงบมาฝึกสติมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบกาใจเรานิ่งใจเราสงบได้แล้วใจเราจะมีอุเบกขามีความสุขไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามหรือเกิดขึ้นกับตัวเราก็ตามเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ กับเหตุการณ์ต่างๆได้ถ้าเรารู้จักทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขทา่ามกลางความทุกข์ต่างๆได้ mm hmm. พวกเราทุกคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นโลกของความทุกข์กันพระเจ้า mm hmm. ja, บอกว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ทุกข์เพราะมีความแก่ที่จะตามมาทุกเพราะจะมีความเจ็บไข้แนป่ปวยที่จะตามมาทุกเพราะว่าจะต้องมีการตาย การพัดพากจากกันตามมาไม่มีใครเรียกเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจของเราได้ด้วยการฝึกจิตใจทําจิตใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุบเบกขาให้เป็นสมาธิถ้าเราสามารถทําใจให้สงบให้นิ่งได้เวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ดีและเกิดขึ้นกับตัวเราก็ดี เราจะสามารถปกป้องใจของเราไม่ให้ต้องไปทุกข์ไม่ต้องให้ไปเศรา้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆได้เราต้องรู้จักรักษาตัวเราเองปกป้องตัวเราเองด้วยเราก็ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะช่วยได้ถ้ามันสุดวิสัยเราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงว่าทำได้เท่านี้แล้วเราก็ต้องมารักษาใจเราไม่ให้ไปเสียอกเสียใจ ไม่ให้ไปทุกข์ไม่ให้ไปอะไรกับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นโลกของอนิจจังคือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ตามเมื่อมีเจริญแล้วก็จะต้องมีเสื่อม มีเจริญลาบก็ต้องมีการเสริมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็ต้องมีการเสริมยศเป็นธรรมดามีการเจริญมีการเจริญสรรเสริญก็มีการเจริญนินทาเป็นธรรมดามีจ้ความสุขความเจริญในสุขของรูปเสียงเกิ่น้อก็มีความทุกข์ที่ได้จากรูปเสียงเกิ่นรอเช่นเดียวกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับขัว้วกันไป วันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์วันนี้ขึ้นวพรุ่งนี้ลงถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนเข้าใจกฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนกฎอนันตาคือไม่มีใครไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เหตุการณ์เป็นไปตามที่เราต้องการได้แล้วไม่ไม่รู้จักวิธีทําใจให้นิ่งให้สงบก็จะอยู่อย่างทุกข์อยู่อย่างวุ่นวายใจแต่ถ้ามีธรรมะรู้ ถึงกฎของตาลักรู้ ก, กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแ ล, ล้วรู้จักทำใจให้สงบเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับการเจริญด้วยกับการเสริมของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ดังนั้นการมาฝึกสติการมานั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะรักษาดูแลจิตใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหตุการณ์ที่มีขึ้นมีลงมีเจริมีเสือ่อมมีสุขมีทุกข์ถือว่าเป็นเหตุการณ์เป็นปกติของโลกนี้แต่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรารู้จักทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธินั่นนะคือเหตุที่เราจะมาปฏิบัติสมาธิกันต่อไปในลําดับ นลําลำดับต่อไปนี้พอดีเวลาที่เรากำหนดไว้ให้กับการสแสดงธรรมก็หมดพอดีนะเราก็จะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกจิตมาสอนจิตให้รู้จักนิ่งให้รู้จักให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักสงบพอเวลาทำใจให้สงบให้เนิ่งได้แล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเราเองและทั้งกับบุคคลที่เรารักเราเคารพเช่นบิดามารดาเป็นต้นเราก็จะ <c oughs> อยู่อย่างมีความสุขมีอย่างความสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นในลระดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันมาทําใจให้นิ่งให้สงบประมาณสักสามสิบนาทีด้วยกันวิธีที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีสติ คือการระลึกรู้คอยควบคุมใจให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่กล่อมใจให้สงบอารมณ์ที่ใช้กล่อมใจให้สงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐ า, านกรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็จะใช้พุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธนำนึกถึงพระ พ, พุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติสติก็คือการระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธ เพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเพราะถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยไปกับความคิดคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วไปคิดเรื่องน้อนคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าใจมีการคิดไม่มีการหยุดคิดใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่มีสมาธิไม่มีความสุขไม่มีโอเบขาถ้าเราถ้าเราอยากจะทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีโอเบคา เราก็ต้องหมั่นเจริญสติความจริงเราควรจะเจริญสติตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกัน mm hmm. เพราะถ้าเราไม่เจริญสติสติเราจะมีกาลังน้อยพอเวลามานั่งนี้อาจจะไม่พอที่จะทาให้ใจนิ่งได mm hmm. ้เราสามารถมีเวลาว่างความจริงเราสามารถเจริญสติได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไร mm hmm. ให้เราเรานึกถึงพุโทโธพุโทโธไปพนใจอยู่เรื่อย เราก็จะสามารถป้องกันใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้อยู่กับพุทโธพุทโธไปได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธเรียวกว่าพุทธานุสติอีกวิธีหนึ่ง ก, ก็การดูลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจนี้คนจะดูตอนที่เรานั่งนั่งสมาธิ ถ้าเราจะดูลมหายใจในเวลาอื่นมันจะยากนะอาจจะไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเวลาเรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรเราต้องดูการกระทําการเคลื่อนไหวต่างๆไม่ใช่มูแต่ดูลมถ้าเรามูแต่ดูลมเราทาอะไรไปด้วยเราอาจจะทําผิดพลาดก็ขึ้นมาก็ได้ทําไม่ถูกก็ได้อย่นถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวเวลาจเจริญสติก็ต้องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าไปดูลม แต่ถ้าเวลามานั่งเฉยๆนั่งกายไม่มีการเคลื่อนไหวเวลานั้นก็ใช้การดูลมเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบก็มีสองวิธีพุโทโธพุโทโธไปดูลมไปหรือบางท่านก็อาจจะเอาทั้งสองอย่างมาปนกันหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจถ้าทําได้ผลดีก็ก็ใช้ได้เป้าหมายก็คือต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้หยุดคิดให้ได้ ให้มีความสุขจากความสง บ, บให้มีอุเบกขาปล่อยวางวางเฉยได้บางท่านเวลาจะเริ่มนั่งสมาธิสติยังมีมีไม่มากพออาจจะคิดฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่สามารถดึงให้อยู่กับพุทธโธได้ไม่สามารถดึงให้อยู่กับลมหายใจได้ก็ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทที่เราจําได้ไปสวดไปเรื่อยๆจนป่าใจจะเริ่มมีสติเริ่มเย็นลงเริ่มคิดน้อยลง แล้วค่อยกลับมาดูลมหรือมาบริกรรมพุโทโธก็ได้นี่คืออุบายวิธีการต่างๆเป้าหมายหลักก็คือต้องการให้ใจยหยุดคิดแล้ใจจะหยุดคิดได้ใจต้องระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์ที่จะกอบใจให้ให้สงบเช่นพุโทโธ<ม>หรืออาณาปานาสติคือดูลมหายใจเข้าออก<ม>เวลานั่งมีอะไรเวลามีอะไรแทรกเข้ามา มีผลอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีแสงปรากฏขึ้นมามีมีอะไรรูปร่างหน้าตาของคนนั้นคนนี้เรื่องอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจนี <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเป็นเป็นหลุมพรางของของกิเลสที่จะหลอกให้เราไม่มีสติที่จะหลอกให้เราไม่อยู่กับพุทโธ ท, ที่จะหลอกให้เราไม่อยู่กับลมหายใจเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับพุทโธใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบได้ ถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบเราต้องไม่สนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งจะเป็นเสียงก็ได้จะเป็นความรู้สึกก็ได้รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ได้อะไรก็ตามอย่าไปสนใจทั้งนั้นให้กมาอยู่ที่กรรมาฐานเพียงอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับกรรมาฐานได้เดี๋ยวใจก็จะค่อยๆสงบนรวมลงในที่สุด พอรวมพอใจรวมลงแล้วมันก็จะนิ่งสงบความคิดก็จะหายไปชั่อกาวจะอยู่นิ่งได้นานหรือหรือไม่นานก็อยู่ที่กำลังของสติที่เราฝึกฝนอบรมมาถ้ามีสติมากก็จะนิ่งได้นานสงบได้นานนิ่งได้ง่ายถ้ามีสติน้อยก็จะนิ่งได้ยากแล้วท้านิ่งก็อาจจะนิ่งได้เดียวเดียวแต่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ มันขึ้นอยู่กับกำลังของสติของเราที่เราควรที่จะฝึกให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ลืนตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปกำกับของการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูร่างกายไปพุโทโธพร้อมๆไปด้วยก็ได้หรือจะเฝ้าดูอย่างเดียวก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดก็แล้วกัน ถูกอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้ได้ง่ายได้เร็วและได้นานแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณ24นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกตรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งอยากจะให้มันสงบก็มันก็จะสงบได้แต่อย่านั่งด้วยความอยากให้มันสงบต้องนั่งด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอคนที่จะเจริญสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพุทโธพุทโธไปในระหว่างวัน ถ้าต่อไปสติจะมีกำลังมากขึ้นแต่อนั่งสมาธิก็จะได้สงบได้ง่ายขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุรตนเตสักลังเอวเมวอิตตุทินังเปตานังอุ ป, ปกะ ป, กปิอิธิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมมิชาต สัพเพปุเรินตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิชติภระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตาายุสุขีติกายุโปภวา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 ก็เป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคําตอบเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้นี่มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติสอง้อยี่สิบหกท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติสอง้อยเจ็สิบสามท่าน ทาง YouTube อกเตอรวีสีท่านทางวิทยุออนไลน์11ท่านทาง Clubhouse 6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ187ท่านรวมทั้งหมด747ท่านครับเดี๋ยวส่องให้คุณหมอกหนะึ่งคุณหมออย่างทาค่ะทำการะอาจารนเจ้าค่ะหนูหนูยังมีความ สงสัยส่วนตัวก็คือว่าหนูชอบสวดมนต์ชอบเอชอบสวดมนต์แล้วก็ชอบที่จะนั่งดูลงถ้าเกิดว่างใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้หนูมีกรรมฐานของหนูคือดูผมอืมดูผมถ้าว่าพอพดีมันมีนิมิตขึ้นมาว่าผมผมมันบางแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็แบบนี้เจ้าค่ะก็คือเหมือนกับหนูก็เก็บกรรมฐานหนูดูคราวนี้ยมันจะทำสามอย่างใน ในแต่ละวันก็ไม่ได้ดูผมบางอย่างเดียวเจ้าค่ะจริงๆเราควรจะโฟกัสที่ที่กรรมฐานของเราเป็นหลักคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรในการปฏิบัติของเรา uh huh. เราต้องการความสงบหรือเราต้องการปัญญา uh huh. การปฏิบัติมันจะไม่เหมือนกันถ้า uh huh. ต้องการความสงบนี้ใจเราต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวไม่คิดปรุงแต่ง uh huh. ไม่พิจารณา แต่ถ้ า, าต้องการปัญญาเราก็ต้องอยู่กับอารมณ์ที่ทําให้เกิดเห็นว่าทุกอย่างเป็นเป็นตายรักขึ้นมาเช่นผมนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ผมว่ามันมันมันไม่เที่ยงอย่างไรเอตอนต้นมันสีดําต่อไปมันสีขาวต่อไปเระฉนมันก็ร่วงหลุดกลับกลายเป็นดินไปอันนี้เป็นวิปัสสนาหรือปัญญาดังั้นเวลาเราปฏิบัติเราต้องรู้ว่าอยู่ขั้นขั้นตอนไหนอ๋อค่ะ กนหนังสือมันก็มีวิชาของมันแต่ละวิชาที่เราต้องเรียนอใ น, นวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวไปเรียนประวัติศาสตร์แต่เราจะไม่เอาสองวิชามาปนกันเวลา ท, ที่เราเรีนยนมันจะไม่ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าต้องการาความสงบสมาธิก็ต้องหยุดความคิดด้วยการเพ่งอารมณ์ดูลมหายใจเข้าออกแล้วสวดมนต์ไปแต่ถ้าต้องการปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของ ของอาการฐานสิบสองก็พิจารณาอาการใดแล้วก็มองดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันมีเจริญมีเสื่อมหรือไม่เจ้ค่ะมันเป็นตัวตนหรือเปล่าเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าหน้าตาต้องพิจารณาอนี้วิปัสสนาหรือปัญญาเจค่ะยังต้องรู้ว่าเราตอนที่เรากําลังทําอะไรอยู่อานาการสมาธิเราก็ไม่คิดอานการปัญญาเราก็คิดให้เห็นกระจ่างเห็นเห็นตายรักษณในสิ่งนั้น จะเห็นร่างกายเป็นตายร่างเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์กว่ามันเจ้าค่ะมันต้องเลือกเอาจะทำสองอย่างปนกันไม่ได้มันน้ําร้อนกับ น, น้ําเย็นนี่มันปนกันไม่ได้มันจะไม่ได้น้ําเย็นก็นไม่ได้น้ําร้อนก็นไม่ได้เออหนูยกตัวอย่างออขอความไม่ตาหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างสมมุติว่าในชีวิตประจําวันตื่นมาตื่นมาเนี่ยก็คือ ตอนเช้ามันก็จะสงบกว่าทุกครั้งเพราะว่ามันเพิ่งตื่นก็จะดูลมดูลมไปหนึ่งชั่วโมงสงบไม่สงบก็ไม่ได้ไปคิดอะไรค่ะก็คือทำหน้าที่เราไปคือถ้าดูลมนี้คนจะดูตอนที่เรานั่งเฉยๆถ้าเรามีการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราดูลมแล้วเราไปทาอย่างอื่นเราไม่ดูว่าเรากลังทำอะไรเราจะทำผิดพลาดก็ได้ใช่ค่ะ ท่านกำลังแปลงฟันอะไรเงี้ยาก็คนอยู่กัการแปลงฟัน uh huh. ไม่คนอยู่กับลมเดี๋ยวจำไม่ได้แปลงถึงซี่ไหนแล้วหมายความว่าหนึ่งวันเนี่ยเราก็แบ่งว่าเอาเช้าเราจะนั่งสมาธิดูลมก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งเพ่งกรรมาฐานผมอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะ <c oughs> ใช่แล้วแต่เวลา <c oughs> ชั่วโมงนี้เราอยากจะนั่งสมาธิแล้วก็เพ่งแต่สมา <c oughs> ตั้งแต่ลมอย่างเดียวหรือ <c oughs> พุโทโธอย่างเดียว แล้ชั่วโมองอยากจะศึกษาว่าร่างกายว่าไม่เที่ยงเช่นผมเราไม่เที่ยงก็ดูมันดูมันงอกขึ้นมาจากสีเป็นสีดําแล้วกลายเป็นสีขาวแล้วก็ร่วงออกไปเจขับกลายเป็นดินไปคะอันนี้ก็พิจารณาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของผมของขอาการสามสิบสองของร่างกายือไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเร า, าเพื่อให้เราปล่อยวางเจ้าค่ะเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับมันคอันนี้เราทุกข์กับมันเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเรา แต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของดินน้มลมไฟเรายืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนไปหมดทั้งร่างกายเลยเจ้าค่ะหนูเข้าใจผิดว่าสมมติว่าเราจะเพ่งกรรมฐานของเราคือผมเนี่ยก็คือตั้งแต่เช้าจนค่ำในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีก็คือดูแต่ผมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูอย่างเงี้มันต้อง ม, มีเป้าหมายเดยดูไปทาไม ไม่ใจะดูไปเรื่ อ, อยๆดูไปเพื่อปล่อยวางดูไปเพื่อเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เชี่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเามื่อเห็นแล้วปล่อยวางแล้วก็ก็จบแล้วไม่ต้องไปดูอีกต่อไปถ้าเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> ถ้ า, าอะไรนี้ต้องไปย้อมผมอยู่ต้องไปไปแต่งผมอยู่ไปอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายัางทุกข์กับมันอยู่อถ้าเราไม่ทุกข์ก็อาบน้ำถ้าสระผมก็ ส, สระใส่ก็หวีๆไหนก็พอ ไม่ต้องไปทำอะไรเจ้าค่ะมันจ yes, ะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปเจ้าค่ะมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไม่อยากจะทุกข์กับมันแล้วก็ไม่ยุ่งกับมันเจ้าค่ะแค่นั้นเองแสดงว่าในหนึ่งวันที่เราทําปฏิบัติเนี่ยก็คือก็ดูตามตามเขาเรียกว่าตามเหตุปัจจัยที่เราจะจะทําไม่ใช่ว่าอันเดียวทื่อๆไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่โดยพื้นโดยหลักการปฏิบัติจ ร, จริงๆขั้นตอนเราต้องมีเครื่องมือที่จะไปใช้กับวิปัสสนาเครื่องมือก็คือความสงบใจต้องสงบแล้วถึงจะพิจารณาเห็นอย่างความเห็นจริงชัดเจนแต่ถ้าใจเราไม่สงบในี่ใจเราถูกความหลงหลอกอยู่มันพิจารณาบางทีมันก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นเ<อ>ิ่งถ้าตามหลักขั้นตอนของการปฏิบัตกิก่อนจะไปวิปัสสนาหรือปัญญาได้เราต้องผ่านสมาธิก่อน ทาจิตให้รวมเป็นอุเบกขาก่อนเพราะจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยจิตก็จะมีใจเป็นกลางเราสามารถมองทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่เป็นกลางมันจะมีโมหะครอบงำใจยังจะมองเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็ จ, จะพิจารณาไม่ออกจ้แล้วอย่างที่เราได้กรรมาฐานผมเราควรจะดูผมเข้าเข้าสู่ความสงบหรือว่าเราจะดู รมเข้าสู่ความสงบเจ้าะแล้วแต่วิธีไหนทำให้เข้าสู่ความสงบได้เราก็ใช้วิธีนั้นไปสลับไปมาได้ใช่ไหมเจ้าก็ลองดูย อ, อยู่ที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องรู้ว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเราแล้วได้ตามจุดประสงค์ของเราหรือไม่แค่ะแต่โดยหลักถ้าต้องการความสงบเรามักจะดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธแต่ถ้าเราเพ่งดูดู ดูขนดูผมก็ได้แต่ไม่ต้องคิดถ้าคิดมันก็จะไม่เป็นสมาธิมันก็จะเป็นปัญญาหรือเป็นฟุ้งซ่านไปถ้าต้องการสมาธิต้องการให้จิตรวมเป็นอุเบกขาต้องไม่คิดให้ดูเฉยเฉยถ้าต้องการปัญญาก็ต้องมองให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะคำถามที่สองสุดท้ายเจ้าค่ะอภารยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระรหันิษฐ การหลกโ ด, ดกกนทางตัวทางโลกเนี่ยหลอกหลอกได้ใช่ไหมเจ้าคะหลอกได้ไหมเจ้าคะคือมันก็มีสองแบบหลอกแบบตั้งใจหลอกแล้วก็หลอกแบบเพราะไม่รู้ตัวเพราะหลงที่ว่าเป็นก็ได้บางคนทั้งคิดว่าเป็นถ้าไม่มีเจตนาหลอกใครแต่ท่านคิดว่าท่านเป็นแต่ความจริงท่านเองเป็นแค่ความคิดไม่ใช่เป็นความจริงท่านยังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าท่านปล่อยร่างกายได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เช่นเวลาไปเจออุบัติภัยต่างๆแล้วใจยังหวั่นไหวอยู่หรือเปล่าเป็นต้นถ้าถ้าไม่ยึดติดกับร่างกายก็ไม่หวั่นไหวถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายท่านก็ทำใจได้แล้วแล้วท่านท่านสุว่าถ้าถ้าเป็นพระยาบุคคลขั้นที่หนึ่งไปถึงพระอรหันต์นี้ท่านโดนคนบุตุชนเนี่ยหลอกหลอกยืมตังหลอกยังไง หลอกยืมเงินท่านเจ้าค่ะหลอกยืมเงินท่านเจ้าค่ะหลอยืมเงินก็เรื่องยืมเงินมันไม่ใช่เรื่องอะไรบุคคลนะบางทีท่านก็เมตตามื่ออยากจะหลอกก็ฝ่ายมันหลอกไปท่านเมตตาก็ให้เข้าไปคือโกงท่านได้เลยแต่ท่านจะไม่โกรธท่านจะไม่เสียท่านยังไม่เสียใจท่านทราบไหมเจ้าค่ะบางทีท่านก็รู้อยู่ก็ได้แต่ท่านทําไปเพราะท่านอาจจะมันมีหลายแง่หลายมุมที่ท่านอาจจะทําเพราะหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีบุญคุณมาก่อน แล้วก็เมื่อเขาเดือดร้อนก็ช่วยเขาไปทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะไม่มีทางที่จะคืนเราได้ก็ให้เข้าไปด้วยความเมตตาทดแทนบุญคุณเข้าไปก็ได้ถ้าก็ไม่คืนก็ไม่โกรธเขาปุจจัยจะไม่มีภาวะขงวนกังวลว่าเงินที่เขาไปนั้นจะคืนเราหรือเปล่าให้ไปล้ท่านก็เหมือนกับลืมมันไปเลยคไม่ติดใจเพราะเงินทองนี้ถ้าไม่ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วท่านมีหรือไม่มีท่านไม่กังวลอ คือท่านไม่ได้คิดว่าจะหลอกหรือไม่หลอกใช่ไหมคะท่านคิดแค่ว่าเออเอาอยากช่วยเมตตาก็ให้ไปก็มันมีหลายกรณีไงแล้วแต่ท่านอยาอ่าคิดที่แต่มีเหตุการณ์อย่ให้คิดอย่ังไงว่าบางทีนึกว่าหลอกก็บางทีก็ไม่ให้ก็มีอ๋อเจ้าค่ะแต่มันอ ย, อยู่กับความผูกคพานของแต่ละคนว่ามีความผูกพันมากน้อยมีบุญมีคุณต่อกันอย่างไรหรือไม่เจ้ค่ะก็มันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันแต่เรื่องเรื่องถูกหลอกเงี้่ท่านท่าน ถ้าไม่สนใจหลอกก็หลอกไปเพราะท่านก็ไม่ได้ติดกากเงินทองท่านไม่ทุกข์กับมันเนี่ยได้ค่ะเข้าใจแล้วจะ้ะค่ะขอบพระคุณนะคะมีใครอยากจะถามอีกไหมช่วงนี้ถามได้ไม่ได้ก็เอาทางบ้านก่อน่าค่ะมีคำถามจากทางยูทูบถามเข้ามาว่าสอบถามครับ หากว่าเรานั่งปฏิบัติฝึกสติสมาธิยังไม่ได้สำเร็จขั้นไหนเลยแล้วหากว่าปฏิบัติอยู่มีกิ่งไม้ตกลงมาหรือภัยอันตรายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติเราควรจะหนีภัยหรือว่านั่งปฏิบัติต่อไปครับก็แล้วแต่เราไงห น, ะ น, นีก็ได้เน้นั่งต่อไปก็ได้ ตังต่อไปก็แสดงว่าเราสู้ไม่ถอยยอมตายอาจะอาจจะผ่านไปก็ได้ผ่านความตายไปก็ได้เจ้าค่ะคุณทิพย์พไทยถามเข้ามาว่าถ้าอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราอยากไปจุติบนชั้นพรมต้องปฏิบัติทําบุญอย่างไรบ้างเจ้าขาก็อย่างนั้นต้องถือศีลแปดแล้วเข้าฌานให้ได้ ถ้าเข้ารูปฌปานได้ก็ไปสวรรค์ชั้ น, นรูปประพรมถ้าเข้าอารูปฌานได้ก็ไปสวรรค์ชั้นอรูปประพรมแต่ต้องอาศัยศีลแปเพราะเราต้องระงับการเสด็จกรรมต้องถือเนคคัมมะคือไม่หาความสุขจากการเสด ร, รูปเสียงจินรดต่างๆเช่นถือศีลศีลศีลข้อสจากการเมก็มาถือเป็นอบ ร, รมจริยาแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินข้าวตามความอยาก ไม่ดูหนังฟังเพลงมามาเอาสมบันเทิงต่างต่างแล้วก็ไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงที่สบายจนเกินไปไม่ ห, หาความสุขจากสิ่งเหล่านีนนไ้ได้เอาเวลามานั่งสมาธิให้เข้ารูปฌานหรือรูปฌานถ้าได้รูปฌานก็ตายไปเข้าไปอยู่สวรรค์รูปประภมถ้าได้รูปฌานก็ไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประภม เช้าค่ะคุณแพลวพิมพ์สุดาถามเข้ามาว่าขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะสอบถามค่ะเวลาทําบุญหรือว่าทําทานแล้วรู้สึกปราบเพิ่มจนน้ําตาไหลออกมาหมายความว่าอย่างไรคะก็หมานก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นอะเรามีความสุขจากการทําบุญของเรามีความเพิ่อปิตกกิก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ก, กันแล้วกัน ค่ะคุณจรัญญาค่ะฝากคำถามขณะที่โยมมีความคิดโยมบอกตัวเองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องอแต่มันไม่มันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือตอนที่คิดแล้วมันทุกข์แล้วเราสามารถที่จะทําให้มันไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าเพราะความคิดของเรานี่มันคิดไปได้ในทาง คิดแล้วทําให้ทุกข์ก็ได้คิดทําแล้วให้หายทุกข์ก็ได้การปฏิบัตินี้เราต้องการให้มันคิดไปในทางที่จะทําให้หายทุกข์เช่นทุกข์เพราะว่าสูญเสียคนรักไปให้ใคิดว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นดินน้ําำลมไฟพอคิดแบบนี้ได้มก็เกิดปัญญาก็หายทุกข์ได้ค่ะ คุณจรัญญาถามต่อมาว่าสรุปแล้วเราดำเนินชีวิตแบบไม่ยึดติดอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะมันว่าไม่มีอะไรให้ยึดติดใช่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรายึดติดได้เพราะถ้ายึดติดแล้วมันจะทำให้เราทุบเวลามันจากเราไปยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค <c oughs> ่ะเจ้าค่ะคุณแพล ทิมสุดาถามเพิ่มเข้ามาว่าการที่เรามีบุตรยากถือว่ามีกรรมใหม่คะแล้วเพราะเหตุอนไดจึงมียากคะมันเป็นเรื่องอานนิจังะไม่มีอะไรแน่นอนบางคนก็มีง่ายมีเยอะมีเบลโลเลยบางคนก็มียากไม่มีอะไรแน่นอนเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันให้พิจารณาว่าเป็นตายลักไปให้หมดตาการต่างๆ ยังไม่มีคําถามเขามาเจ้าค่ะถ้ามองทางธรรมการไม่มีบุญดีกว่ามีบุญเพราะมีแล้วทุก์เนี่ยมีแล้วต้องเลี้ยงดูเขาแล้วมีความผูกพันหงใยญจเขาจนจนก่อนจะแยกกันจนก่อนจะตายจากกันไปถ้าไม่มีบุญก็ไม่ต้องมีใครมาเต้าให้เราต้องมาทุกข์มากังวลด้วยการมีมันมีอะไรในโลกนี้ไม่ดี้นะเพราะของทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ทุกข้อมันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวทุกว่าเราไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปพอมันจากไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาอยู่ก็กังวลว่ากังวลเกงว่ามันจะกลัวว่ามันจะจากเราไปก็เลยอย่าไม่มีอะไรดีกว่าเจ้าค่ะคุณทิพย์พือไทยคะ่ะอยากสอบถามพระอาจารย์นะคะว่า คนไม่มีลูกไม่มีคู่คือคนที่มีบุญมากหรือเปล่านะเจ้าค่ะมีบุญมากหรือเปล่านะเราก็ไม่สามารถไปวิเคราะห์บุญมากบุญน้อยแต่ไม่มีก็ไม่ทุกเท่านั้นอนะ่ะถ้ามีก็ทุกอันนีถ้าอยากจะทุกก็ไปมีถ้าไม่อยากจะทุกก็อย่าไปมีจะบุญมากบุญน้อยหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะคนสุทธาสินีค่ะอยาก ถาหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อที่ายเรื่องการพิจารณาเวทนาในเวทนาหน่อยค่ะเวทนาก็คือความรู้สึกที่ออกมาจากทางร่างกายเนี่ยเวลาหิวข้าวมันก็ทุกขเวทนาเวลาได้กินข้าวอิ่มมันก็สุ ข, ขเวทนาเวลาไม่หิวไม่อิ่มก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวท น, นามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอิ่มไปตลอดก็ไม่ได้ เดี๋ยวกินอิ่มไปสักพังกเดี๋ยมันก็หาอิ่นะแ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หิวกับคืนขึ้นมาใหม่ขึ้นนี้คือธรรมชาติของเวทนามันไม่แน่นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาพิธีปฏิบัติกับมันก็คืออย่าไปชู้จี้ฉุกจิกกับเวทนาให้ยินดีกับทุกเวทนา ท, ทุกเวทนาทุกชนิด ทุกขเวทนาก็ยินดีสุขเวทนาก็ยินดีไม่สุขไม่ทุกขก็ยินดีคือเฉยๆอยู่กับมันไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวอย่าไปอยากให้มันไม่ทุกข์เพราะเวลาเกิดความอยากเหล่านี้มันจะสร้างความทุกข์ใจอีกชั้นหนึ่งขึ้นมา <c oughs> หมแล้วเหรอก็แล้วเจ้าค่ะแล้วก็เอาท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ